63การภาวนาที่ผิดวงเล็บเปิด28พฤศจิกายน2551ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดมีคนจํานวนมากมาเรียนที่หลวงพ่อแล้วไม่มีโอกาสส่งกันบ้านรู้สึกส่งไม่ถึงพวกที่ส่งไม่ถึงนี่ส่วนหนึ่งคือพวกที่ไม่ยอมยกมือถ้ายกมือกระทั่งคนที่มาใหม่นะทุกวันจะมีคนที่ไม่เคยมาเลยแล้วก็ยกมือได้ได้ส่งกันบ้านมันเป็นความเท่าเทียมนะไม่รู้จะทําอย่างไรแล้ว ทรัพยากรมีจำกัดแรงหลวงพ่อก็มีจำกัดเวลาก็จำกัดพวกเราเยอะสนใจเยอะทีนี้พอเราไม่ได้ถามหลวงพ่อบางคนก็หว่นไหวเที่ยวไปถามคนอื่นถามคนอื่นถามพระอื่นอะไรอย่างนี้นะว่าดูจิตดูอย่างไรท่านก็พาดูอุตรลุดไปนะนอกลู่นอกทางนี่เยอะมากเลยอย่างบางคนบอกให้ไปดูความว่างน้อมใจเข้าสู่ความว่างบางสานักก็ไปสอนบอกว่าดูจิตเหรออย่าไปคิดนะ จิตคิดแล้วก็ปัดทิ้งไปปัดทิ้งไปอย่าคิดให้หยุดคิดอ้างหลวงปู่ดูลว่าหยุดคิดจิตจึงรู้คำสอนของท่านที่ว่าหยุดคิดจิตจึงรู้ไม่ได้หยุดทั้งวันทั้งคืนจิตมีหน้าที่คิดไปหยุดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้คำว่าในเครื่องหมายคำพูดหยุดคิดจิตจึงรู้คือเครื่องหมายคำพูดเปิดในขณะที่รู้น่ะไม่คิดในขณะที่คิดน่ะไม่รู้ปิดเครื่องหมายคาพูด ท่านแค่บอกสภาวะเฉยๆท่านไม่ได้บอกให้ทําการหยุดคิดขึ้นมาเคยมีลูกศิษย์ท่านได้ยินว่าหยุดคิดก็พยายามจะหยุดคิดไปพยายามอยู่พรรษาหนึ่งแล้วกลับมารายงานหลวงปู่ดูลว่ายังหยุดคิดไม่ได้หลวงปู่ก็บอกโม่แต่คิดหาทางหยุดคิดนะสิจริงๆแล้วไม่ได้สอนให้หยุดคิดนะท่านสอนให้ดูจิตฉะนั้นให้รู้ทันจิตไม่ใช่ให้หยุดคิดไม่ได้ให้น้อมใจไปอยู่ในความว่างไปอยู่ในความว่างก็ไม่ได้ดูจิต ทำไมต้องดูจิตการดูจิตนั่นแหละคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแบบหนึ่งแบบหนึ่งนะไม่ใช่มีแบบเดียวดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้ดูธรรมก็ได้แต่ต้องดูในสิ่งซึ่งเป็นรูปเป็นนามต้องดูรูปดูนามนะเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามถึงจะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานไปดูความว่างความว่างไม่ใช่รูปใช่นามอะไรมันเป็นของภายนอกจิตมันปรุงขึ้นมาว่าง ไปบังคับจิตให้หยุดนี่ก็ไม่ใช่เรื่องการรู้รูปรู้นามเป็นการบังคับเป็นการแทรกแซงบางคนไปนั่งสมาธินะเมื่อยก็พยายามจะนั่งให้หายเมื่อยนี่ก็อยากแทรกแซงอยากหายเมื่อยไม่ยากเลยนะมาบอกคุณหน่งให้เอาเข็มบล็อกไขสันหลังเข้าทีเดียวหายเมื่อยเลยนั่งแล้วก็เป็นอมพาทอยู่นั่นน่ะจนเกิดแผลกดทับยังไม่เจ็บเลยฉะนั้นมันไร้สาระนะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้ผิดปกติมนุษย์ แต่ภาวนาด้วยจิตใจด้วยร่างกายของปกติมนุษย์นั่นแหละดูจนเห็นความจริงของกายของใจไปไม่ใช่ดัดแปลงมันเมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชื่อหลวงปู่คาพันธุ์อยู่วัดธาตุมหาชัยนครพนมลูกศิษย์ท่านแยกย้ายกันไปภาวนาอยู่วัดสาขาพรรษาหนึ่งแล้วกลับมาส่งกันบ้านบอกว่าพรรษานี้อยู่ด้วยความสํารวมคล้ายๆล้ายลูกศิษย์หลวงปูดูนเหมือนกันพรรษานี้ไม่พูดนะแล้วท่านบอกว่าพูดนะ แต่มันพูดในใจพูดไม่ให้คนอื่นได้ยินนี่ก็เหมือนกันลูกศิษย์หลวงปู่คำพันบอกว่าไปภาวนาในวัดสาขาตลอดพรรษา น, นี้ไม่ติดในรถอาหารพอบินทบาตได้มาเอาน้ำร้อนใส่ลงไปในบาตรล้างทุกอย่างให้มันจืดสนิทแล้วก็ดมรงชีวิตอยู่ด้วยการไม่ติดในรถอาหารหลวงปู่บอกโอ้วิธีนี้เปลืองน้าร้อนเอาน้ำร้อนลวกลิ้นเสียเลยไม่ต้องไปแก้ที่รถ เอาน้ำร้อนลวกลิ้นแล้วลิ้นก็รับรสไม่ได้แล้วมันไม่มีใครเขาสั่งเขาสอนให้ทำอย่างนั้นใช่ไหมท่านบอกว่าเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นั่นแหละความยินดีอินร้ายเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันท่านไม่ใช่ให้ไม่กระทบนะอย่างพวกหนีไปหาความว่างเนี่ยพวกหนีการกระทบพวกจะไม่คิดเนี่ยหนีการกระทบพวกจะกินอาหารไม่ให้มีรสชาติอะไรนี่ก็หนีการกระทบเหมือนกันหนีทั้งนั้นเลย ฉะนั้นไม่ให้หนีนะให้กระทบอารมณ์เข้าไปแต่กระทบแบบมีสติมีปัญญารู้ทันสิ่งที่มากระทบเห็นแต่เป็นสภาวธรรมเป็นสภาพธรรมที่ปรากฏกระทบแล้วใจมันปรุงขึ้นมาก็เห็นใจมันทํางานใจที่ทํางานก็เป็นแค่สภาวธรรมที่ปรากฏสภาวธรรมทั้งภายในภายนอกทั้งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมไม่มีตัวเราไม่มีของเรามีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ นี่วิธีเดินปัญญาเขาเดินอย่างนี้ไม่ใช่เดินโดยน้อมใจไปอยู่ในความว่างน้อมใจให้ไม่คิดนั่งไม่ให้ปวดไม่ให้เมื่อยกินอาหารไม่ให้มีรส ถ, ถ้าไม่มีการสัมผัสแล้วบรรุเร็วนะคนตาบอดจะบรรุเร็วก็ตัดอายตนะไปอันหนึ่งใช่ไหมถ้าหูหนวกด้วยยิ่งบรรุเร็วกว่าเก่าอีกตัดไปได้สองอายตนะไม่มีการกระทบถ้าเป็นขี้เรื้อนเป็นโรคเรื้อนด้วยนะสัมผัสทางกายไม่รู้สึกโอตัดไปได้สามแล้วใช่ไหม แล้วเชือด์คอตายไปเลยเหลือใจอันเดียวคงบรรลุไปหมดแล้วไม่ใช่ว่าไปดัดแปลงการกระทบให้กระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาแต่กระทบแล้วคอยรู้ทันใจของตัวเองความยินดีเกิดขึ้นให้รู้ทันความยินร้ายเกิดขึ้นให้รู้ทันดำรงชีวิตอย่างเรียบเรียบง่ายๆแล้วก็กระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาบางคนเป็นนักธุรกิจมหาวนาโอ้เราจะต้องสารวมไม่ทาแป้งไม่ใช้เครื่องสาอางนงผ้าถุงไปเจรจาธุรกิจ ใครเขาจะเจรจาด้วยล่ะปากเขียวอือไปอย่างนั้นขอบตาก็เขียวหน้าก็ซีดเหมือนผีตายเอาไปแช่น้ําแข็งไว้ไม่ใช่ให้ทําอย่างนั้นหรอกใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาที่มันไม่ผิดศีลผิดธรรมนี่แหละแล้วดูกายมันทํางานไปดูจิตมันทํางานไปดูไปเรื่อยวันหนึ่งมันก็เกิดปัญญาเห็นความจริงทั้งกายทั้งจิตนี้มันไม่ใช่ตัวเรามันมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเป็นทุกข์คือมันถูกบีบคั้นมันไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันเป็นทุกข์ มันเกิดขึ้นมามีสภาวธรรมเกิดขึ้นมาเกิดเพราะเหตุเหตุมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะสภาวธรรมมันถูกบีบคั้นตัวของมันก็เลยต้องเปลี่ยนไปด้วยตัวมันเปลี่ยนไปเขาเรียกในเครื่องหมายคำพูดอณิ จ, จังมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเรียกในเครื่องหมายคำพูดทุกขังมันไม่ใช่สิ่งที่เราสั่งได้แต่มันเป็นไปตามเหตุเรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดอ น, นัตตาฉะนั้นเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเรียกว่าธรรมวิปัสสนา ละความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราค่อยฝึกเอาไม่ได้ยากเท่าที่คิดนะมันง่ายจริงๆการภาวนาให้ดูซื่อคนไหนดูซื่อก็เร็วคนไหนดูเจ้าเล่ห์แสนกลก็ช้าดูเจ้าเล่ห์แสนกลเช่นทำอย่างไรจิตจะสงบทำอย่างไรจิตจะดีทำอย่างไรจะไม่กระทบอารมณ์ทำอย่างไรกระทบอารมณ์แล้วจะไม่กระเทือนทำอย่างไรกระเทือนแล้วจะละไวไวทำอย่างไรกิเลสจะไม่เกิด ทำอย่างไรกิเลสที่เกิดแล้วจะดับไวๆทำอย่างไรจะมีแต่กุศลทำอย่างไรมรรคผลจะเกิดเห็นไหมทุกๆประโยคที่หลวงพ่อพูดมีแต่คำว่าในเครื่องหมายคำพูดทำทั้งหมดเลยนั่นไม่ใช่วิปัสสนานะลองเปลี่ยนใหม่อะไรเกิดขึ้นก็รู้ไม่ใช่ให้ทำใจของเราคอยคิดแต่จะทำทำอย่างไรแล้วจะดีทำอย่างไรจะบรรลุมรรคผลพวกที่คิดจะทานะ่ะไม่ได้กินหรอก ไม่ได้กินเพราะว่ามันมีโลภะมีความอยากมีตัณหาเกิดขึ้นถึงได้กระทำกรรมถ้าทำกรรมฐานด้วยโลภะก็ไม่ได้กินหรอกกิเลสมันเอาไปกินหมด